วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมพุทธศักราชสอง5ันห้า้อยห้าสิบห้าพระในวัดของเราดูแล้วก็ตลงพ่อก็เช็คทุกวันเพราะเข้าออกทุกวันแล้วก็ทั้งหมดมีอยู่สามสิบกว่ารูปตามปกติพระพระวัดเราก็ นาแล้งก็ไม่ต่ำกว่า25ตามปกติถ้ามากกว่านั้นก็ผิดปกติก็มีพระนวักกะเข้ามาบวชแต่ช่วงนี้ก็พระนวักกะเข้ามาบวชทำให้พระในวัดของเรามากแต่ถึงยังไงวัดของเราเป็นวัดกว้างตั้งพันสกว่าไร่ถ้าองค์ไหนต้องการความสงบกลีก เล่นหรือออกธุรงในวัดไม่อยากจะเจอพบหมู่พกเพื่อนหลีกเล่นไปภาวนาอยู่ตามลำพังอยู่ทางหลังวัดของเรามีกุฏิเสนาสะนะที่เป็นล้านแค่แล้วก็น้ำห้องน้ำมีถ้าผู้ใดอยากจะแสวงหาความสงบ สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อกันนะ่ะปลีกตัวเรื่อยเหมือนกันบางทีกลางวันก็นุ่นขึ้นไปพักสถานีวิทยุเสียงธรรมห่างจากที่นี่ไปก็ไกลพอสมควรคงจะกิโลกว่านะหลวงพ่อว่านะระยะทางแต่หลวงพ่อเคยนับลงมาเก้าขาลงมานับหนึ่งจากสถานีลงมาเนี่ยนับมาเรื่อย สามพันสมพันสองร้อยะไรเลยเก้านะ 9, นะจากสถานีลงมาไกลพอสมควรเนี่ยนหะลกพ่อเองก็ปรีกเหมือนกันหนะาที่สงบคือการภาวนาเนี่ยนะเราอย่าไปนั่งอยู่ที่เก่าเราเคยนั่งที่ไหนนั่งที่เก่าเราต้องขยับที่นั่งบางทีเรานั่งอยู่ในที่มืด มันก็ทำให้งกง่วงได้เราก็ต้องออกไปนั่งที่โปรงๆที่โล่งๆหรือโคลนต้นไม้หรือที่แจ้งหรือว่าที่มันปลอดภัยนั่นแหละอย่าไปนั่งในที่ไม่ปลอดไม่ปลอดภัยถ้ายุงมากัดแมลงมาตอมมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันแต่เราก็ต้องนั่งหาที่มุมมุมมุมที่เหมาะสม แต่เรานั่งแต่ที่เก่าไม่ได้ถ้าไม่นั่งแล้วก็เดินดเดินแล้วก็ทีแรกก็เดินมก็จะมีมแมลงบ้างตอมพอเดินไปนานๆแมลงมันก็ขี้เกียจบินเหมือนกันยุงก็เหมือนกันใหม่ๆเดินช้ายๆยุงมันก็ไล่ตอบโหหโหเหมือนกันแต่พอเดินไปเดินมานกลับไปกลับมายุงมันก็ขี้เกียจบินตามเหมือนกัน มันก็เหนื่อยบินเหมือนกันเราก็เดินได้ไม่มีมแมลงไม่มียุงหลวงพ่อเคยมาทั้งหมดการนั่งภาวนาอยากไปนั่งอยู่ในที่มุมอับอย่างพระโมคคราท่านบวชเข้ามาเจ็ดวันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานท่านไปนั่งภาวนา ถินมิทธะคือความง่วงเหงาเหงานอนเข้ามาบรบกวนท่านไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าโมกขาดท่านต้องออกเดินไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ไปนั่งอยู่ในที่โลง่งแล้วก็มองขึ้นไปในอากาศแล้วก็ใช้น้ำลูบหน้าคล้ายๆก็ว่าไม่ให้อยู่นิ่งอยู่เฉยๆม่วงแล้วกหัวทิ่มอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น ต้องหลบต้องหาวิธีการนี้ก็เหมือนกันพวกเรานั่งภาวนาถ้าว่าเรานั่งอยู่ในที่เก่าหลวงพ่อเคยให้การสังเกตถ้าเรานั่งอยู่ที่เก่ามันก็อารมณ์เก่าถ้าเรานั่งไปอีกมุมนึงมันก็เกิดมีคล้ายๆกับเหมือนเหมือนกับมันเปลี่ยนบรรยากาศลักษณะอย่างนั้น่ะ เปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งความรู้สึกมันแตกแต่ต่างกว่านั่งอยู่จุดนั้นเพราะนั้นเราอยู่ในกุฏิหลังเดียวกันแต่เรานั่งอยู่ที่ไหนเรานั่งภาวนาอันนี้เราต้องใช้พิจารณาด้วยตัวเองทดลองทดสอบดูแล้วก็การเปลี่ยนกรรมฐานก็เหมือนกัน เมื่อเราพิจารณามีแต่พุโทโธพุธโทโธทำจิตใจให้สงบอย่างเดียวจิตใจมันหดหู่จิตใจมันมันไม่วิ่งเราก็ต้องหาสิ่งที่มาลอกล่อใจให้พิจารณาถึงอดีตที่เราเห็นคนตายที่เห็นซากศพแล้วก็ย้อนมาหาตัวของเราเราจะเป็นอย่างนั้นบ้างไหมหรือเราจะไม่เป็นสิ่งเหล่านี้ก็อยา่าง ใช้ปัญญาท บ, ทบทวนในเรื่องที่ตัวเองได้เห็นได้ผ่านมาอันนี้ก็เป็นว่าปัญญาตร่อมจิตหรือว่าปลุกจิตที่มันนอนนอนเนื่องหรือว่ามันขี้เฉาหรือไ ม, ม่มันไม่อยากคิดมันเฉยจิตใจไม่มีกำลังเราต้องปลุกตัวอย่างนั้นคือตัวกิเลสชัด มันจะนอนจมนนใจอยู่ในโลกได้ยังไงอขนาดไฟเกิดแก่เจ็บตายไฟลนหลังอยู่ที่หลังมาอยู่ตลอดตัวเองก็ยังเฉยยังให้ไฟลนหลังตัวเองอยู่ได้ยังไงอ น, นันต์บอกกิเลสกิเลสนอนจมกิเลสนอนใจกิเลสจะนอนอยู่ในวัฏสงสารนานเท่านานเป็นอนันตการแต่ต้าว่าเรา ในศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะไม่นอนใจเรานึกดูแล้วมันสะดุ้งตลอดเอตื่นตัวอยู่ตลอดเหมือนกับหลวงตามหาบัวท่านวาน่าอท่านนอนสี่ทุ่อหรือห้าทุ่มพอถึงตีสามมันจะดุ้งดังต่ำเลยเฮ้ยเ้าแบบมันสะดุ้งนอนแบบมันเคยมันฝึกมาอย่างนั้น เมันจะไม่ขี้เฉาถไมอ่าไม่ใช่ว่านอนไปแล้วก็เออหลับหลั บ, ลบตื่นตืนไปเรื่อยเอ่อท่านต้องสะดุ้ขึ้นมาแบบตั้งใจเหมือนกับแม่เนื้ออยู่ในป่าพอตื่นขึ้นมาก็แบบตื่นแบบเต็มตัวเลยเออไม่ได้ตื่นแบบงวงเงียนี่แหละนี่ก็พวกเราก็ต้องฝึกฝึกตัวเองฝึกคิด แต่เรามีแต่สมาธิอย่างเดียวก็ทำให้จิตใจของเราเชื่อ ง, ง, ง, งซึมซึมซึมเศร้าหรือว่าซึมครๆว่ามันไม่คิดอ่ะ ม, มันอยู่ยังไงก็ได้เพราะนั้นเราต้องใช้ปัญญาปลุกขึ้นมาปลุกใจของเราเป็นบางครั้งแล้วก็ถ้ามันหักเหิมจนเกินไปกระโดดโลดเต้นจมไจมันปงฟุ้งจนเกินไป ต้องเอาสมาธิเข้ามาลังต้องจับเข้ามาหาสมาธิกำหนดให้จิตใจยอยู่ให้จิตใจเป็นหนึ่งแต่ถ้าว่าถ้ามันปล่อยออกไปมันไปเตลิดเปิดเปิงจนหาจุดจบไม่ได้มันคิดมากจนเกินไปอันนั้นก็ไม่ดีมันอยู่นอกกรอบดึงลังเข้ามาหาสมาธิสรุปแล้วก็คือสมาธิ วิปัสนาหรือว่าสมาธิกับปัญญาเนี่ยมันต้องไปคู่กันในเมื่อเรามีสมาธิมีตะนอนซมอยู่ในห้องเราไม่ได้ทําการทํางานเราจะมีผลงานได้อย่างไรแต่ถ้าว่าเราออกไปแต่ทํางานอย่างเดียวมีแต่ผลงานออทํางานอยู่ตลอดอันนี้นก็คือผลงานแต่เราไม่ได้พักผ่อน คนคนนั้นจะทำงานไปได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องจอดอีกเหมือนกันเพราะขาดการพักผ่อนเพราะนั้นทั้งสองอย่างสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีต้องไปด้วยกันถ้าผู้ภาคปฏิบัติถึงระดับจะต้องเดินวิปัสสนาต้องเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่ผู้ที่เขามาฝึกใหม่ถ้าเข้ามาฝึกใหม่ต้องฝึกสมาธิก่อนต้องพยายามทาจิตใจให้ สงบซะก่อนสงบไปยังไงออกจากความสงบเป็นยังไงสงบเป็นยังไงเข้าสมาธิพียงออกจากสมาธิเป็นยังไงจิตใจในขณะที่บริกรรมเป็นยังไงรู้ตัวเองอยู่ตลอดพอรู้ตัวเองแล้วแตนี่นั่นแหละพยายามเดินพยายามคิดแตนีคิดทบทวนทิศอันดับแรกก็พิจารณาร่างกายของตนเองก่อน ร่างกายของเรามีอะไรบ้างจากนั้นก็พิจารณาทบทวนดูร่างกายของคนอื่นจากนั้นก็พิจารณาถึงคนคนอื่นที่เขาตายให้เราเห็นอจากนั้นเราก็เห็นคนตายเห็นซากศพเห็นกระดูกของคนจากนั้นก็มาพิจารณาย้อนมาหาตัวเองว่ากระดูกของเราเหมือนกับของเขาไหมถ้าว่าเราจิตใจของเราผ่านสมาธิมาแล้วเราจะยอมรับทั้งหมด เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะเรื่องจิตภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่แต่สมาธิอย่างเดียวต้องวิปัสสนาด้วยต้องเดินมากด้วยพิจารณาภายนอกด้วยเมื่อพิจารณาภายนอกพิจารณาร่างกายพิจารณาเปรียบเทียบอย่างอื่นแลแ้วทเนี่ยมันต้องย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจอีกตัวใจของเราเป็นต้นต่อต้นเรื่องต่างๆทั้ ง, งหลายทั้งปวงใจไปให้ความสําคัญเรื่องนั้นใจไปให้ความสาคัญเรื่องนี้ ใจของเราอ่อนแอใจของเราท้อแท้ใจของเราไม่สู่ใจของเราเป็นยังไงจต่นั้นจ่อเข้ามาดูตัวผู้รู้คือใจใจของเร า, าเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากนั้นทั้งหมดเลยในเมื่อเราพิจารณาถึงใจเลยเราจะเห็นได้ใจของเราเป็นยังไงเรื่องทั้งหลายออกมาจากใจจะนั้นก็พิจารณาถึงอเนจัง ของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา็อยุ่ในใจอีกใจของเราก็เป็นตัวไตรลักษ์ตัวโยงอีกเหมือนกันนั่นแหละพิจารณา อ, อ, อนัตตาถล่มลงไปจูจ่จุดตัวผู้รู้คือใจนั่นแหะนั่นแหละหเห็นใจเป็นอนัตตาอีกเหมือนกันพรทธอนขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะภาวนาอันดับแรกก็คือพยายามทำใจให้สงบซะก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่มาอยู่ฝึกหัดใหม่ต้องพยายามเดินเดินให้มากพอเดินเสร็จแล้วขึ้นมานั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือนับ123่งสองดูพุทโธพุทโธพุทโธหรือบริกรรมอะไรก็ได้หรือบริกรรมตายตายตา ย, ตายก็ได้มรณะนุชติได้ทั้งหมดในกรรมฐาน40ที่พวกเราได้ศึกษาจากนั้น พยายามแต่เฉพระพยายามทำให้ต่อเนื่องทำให้ต่อเนื่องให้สืบเรื่องแต่ละวันในเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อมั่นใจว่าไม่ขณะใดขณะหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งวันใดวันหนึ่งใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อใจของเราทุกเข้าสู่ความสงบแล้วใจของเราจะมีพลังแล้วแต่มีกำลังมีพลังจากนั้นก็เราจะนำมาพิจารณา เดินทางวิปัสสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก็เป็นแนวทางสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้แนะนำสั่งสอนแต่พวกเราทุกวันนี้มันกันอย่างว่าเหมือนเหล็กก้นเตามันมันไม่อยากจะสู้มันจะอยู่เฉยแต่ทำยังไงได้มันจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะเพราวัใจของเรา ใจกิเลสนะนะตัวกิเลสครอบงำตัววิชาคอบงำใจทําให้จิตใจเชื่องซึมทําให้จิตใจหมดกําลังทําให้จิตใจเศร้าหมองทําให้จิตใจไม่กระปีก้กระเป๋าหมองไม่เห็นสัจธรรมคือของจริงในใจทั้งที่มันมีอะไรอยู่ตั้งเออยอะแยะแต่เราไม่มองคนะเพียงแต่หลับตาเฉยเฉยขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะใช้ปัญญาในะจุดนี้นะใช้ปัญญาพักดันในใจของเรา หลับพ่อนอนโมตนาให้พ่อ